มิลินทปัญหาของกลุ่มศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาปฐมวัคสะพันยุตังปัตตะปัญหาที่แปดถามว่าพระโคดมเผาอกุศลเสร็จสิ้นแล้วหรือหรือว่ายังเหลืออยู่บ้างจึงได้สำเร็จพระโพธิญาณ ราชาอาหะสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสณผู้ปรีชาตถาคะโตสมเด็จพระตถาคตทศพลเจ้าสพังอากุศลังชาปยิตวาเผาเสียซึ่งอากุศลทั้งปวงเสร็จสิ้นทีเดียวเจืหรือจึงสำเร็จแก่พระปรามาพิเศษสัมโพธิญาณ อุทาหุหรือว่าสมเด็จพระศาสดาจารย์เจ้าเผาอากุศลไม่หมดมีเศษอยู่สมเด็จพระบรมครูจรึงสำเร็จแก่พระสันเพชรดาญาณประการใดพระนาคเสนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรสมเด็จพระบรมโลกุตมาจารยานัพพันธุ์อยู่เจ้าเผาเสียซึ่งอากุศลทั้งปวงสิ้นเสร็จ จึงสำเร็จแก่พระสันเพชรดาญาณเหตยกเสียจากกิริยาที่กระทำกรรมเป็นอกุศลไม่เหลืออยู่ขาดสิ้นทีเดียวบอกพิษพระราชาสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชาองค์การถามว่าพันเตนาคะเสนาข่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาสมเด็จพระบรมโลกกรนราาสดาเสวยทุกขเวทนาอยู่บ้างหรือไม่เล่า พระนาคเสสนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรสมเด็จพระบรมโล ก, กนาศาสดาสเสวยทุกขเวทนาเมื่อสเกตศิลากระเด็นมาถูกพระบาทบังเกิดห่อพระโลหิตขึ้นมาครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งบังเกิดพระอาพาธลงพระโลหิตที่บ้านเวลุวะคามฉิวโกโมารพัท ประกอบพระโอสถเป็นยาประจุถวายด้วยความเลื่อมใสในพระองค์อันหนึ่งเมื่อบังเกิดพระวายุกำเริบขึ้นมาในพระเสรีระกายพระอานนถวายอุทะกังร้อนให้เสวยเพื่อระงับพระอาพาธที่กำเริบนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสผู้ปรีชา ผู้เป็นเจ้าว่ากับโยมว่าสมเด็จพระบรมโล ก, กระนาสาสดาจาร์เจ้าเผาเสียซึ่งอากุศลสิ้นไม่มีที่กระทำให้เหลือเศษจึงสาเร็จแก่พระสันเพชรดาญาณถ้าฉะนั้นแล้วต้องการอะไรเล่าที่พระองค์เจ้าเสวยทุกขเวทนาอาพาธเล่าถ้าอากุศลสิ้นแล้วที่จะมีทุกขเวทนาอาพาธหามิได้ คำที่ว่าสมเด็จพระบรมไตรยโลกกานาเจ้าเผาเสียซึ่งอกุศลสิ้นเสร็จได้สําเร็จแก่พระสันเพชรดาญาณจะมิผิดหรือประการหนึ่งเล่าถ้าว่าสมเด็จพระบรมโลกานาศาสด า, า, า, าจารย์เจ้าเผาอากุศลเสร็จสําเร็จและได้ตรัสแก่พระสันเพชรดาญานคําที่ว่าสมเด็จพระโลกุตตม า, าจารย์ ยังเสวยทุกเวทนาอาพาธนี้จะมีผิดหรือคำทั้งสองนี้ไม่ต้องกันออยังปันโหอันว่าปริศานานี้เป็นอุพัโตโกติตวานุ ป, ปัตโตมาถึงพระผู้เป็นเจ้าขอพระผู้เป็นเจ้าจงระ ง, งับดับเสียซึ่งความสงสัยนาการบัดนี้เทโรพระนาคเสนเท ร, ราธิบดี จึงวิสัชนาซึ่งอุพัโตโกติปัญหาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารทุกขเวทนาอันเป็นมูลแห่งอกุศลกรรมนั้นสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้ามิได้เสวยเวทนาทั้งหลายย่อมเกิดแต่เหตุแปดประการดังนี้ดูกระบพิษพระราชสมภารเหตุแปดประการคือสิ่งใดเล่าขอถวายพระพร บพิทธพระราชสมภารได้แก่วาตะสมุทฐานประการหนึ่งพิตะสมุทฐานประการหนึ่งเสมหะสมุทฐานประการหนึ่งสันนิปาติกาประการหนึ่งอุตุปริณามชาประการหนึ่งวิสมะปริหารชาประการหนึ่งโอปกกามิกาประการหนึ่งกรรมวิปากชาประการหนึ่งสิริเป็นเหตุแปดประการฉะนี้ เวทนาย่อมบังเกิดด้วยเหตุแปดประการเหล่านี้ขอถวายพระพรที่โลกว่ากันว่าบุคคลเสวยเวทนาด้วยกรรมนี้ผิดหาจริงไม่บ่อพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคาเสนะคาแต่พระนาคาเสนผู้ปรีชาเวทนาที่เสวยทุกข์ด้วยเหตุเจ็ดประการคือ วาตสมุูฐานประการหนึ่งปิตตสมุูฐานประการหนึ่งเสมหสมุูฐานประการหนึ่งสันนิปาติกาประการหนึ่งอุตุปริณามชาประการหนึ่งวิสมะปริหาราชาประการหนึ่งโอปกกามิกาประการหนึ่งสิลิเป็นเหตุเจ็ดประการดังนี้เป็นกรรมะสมุูฐานเกิดแต่กรรมสิ้นจะได้พ้นจากกรรมไปหามิได้พระผู้เป็นเจ้า พระนาเกษวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชคอถวายพระพรถ้าฉะนั้นท่านจะว่าไว้เป็นส่วนๆแต่ละส่วนมีลักขณะต่างๆกันต้องการอะไรเล่ามหาราชคอถวายพระพ ร, พรว่าโตลมนั้นเล่ากำเริบด้วยเหตุสิบประการเหตุสิบประการนั้นอย่างไรเหตุสิบประการคือ กรรมเริบด้วยเย็นประการหนึ่งกรรมเริบด้วยบริโภคเหลือขนาดประการหนึ่งกรรมเริบด้วยยืนนานนักประการหนึ่งกรรมเริบด้วยตั้งความเพียรจนเกินไปประการหนึ่งกรรมเริบด้วยวิ่งมากนักประการหนึ่งกรรมเริบด้วยงานหนักนักประการหนึ่งกรรมเริบด้วยกรรมวีบากประการหนึ่งสิริประสมเป็นสิบประการด้วยกันและเวทนาทั้งหลายนี้ จะเกิดขึ้นในอดีตก็หาไม่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็หาไม่ย่อมเกิดแต่ในพบปัจจุบันชนนี้จะว่ากองเวทนาทั้งปวงเกิดแต่กรรมสิ่งเดียวอย่างไรได้ส่วนปิตะสมุทฐานนั้นเล่าปิตะแปลว่าดีดีกำเริบด้วยเหตุสามประการเหตุสามประการนั้นอย่างไรคือเย็นนักประการหนึ่งร้อนนักประการหนึ่ง บริโภคอาหารไม่เสมอประการหนึ่งสิริเป็นสามประการด้วยกันเสมหะสมุดฐานนั้นคือเสมหะกำเริบด้วยเหตุสามประการคือเย็นนักประการหนึ่งร้อนนักประการหนึ่งบริโภคอาหารนักดื่มน้ำนักประการหนึ่งสิริเป็นสามประการด้วยกันลมและดีและเสมหะทั้งหลาย กำลัเริ่มขึ้นด้วยเหตุเหล่านี้แล้วย่อมเจริญรักโขนปนกันทำเวทนาอันเป็นส่วนแห่งตนแห่งตนให้บังเกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายขอถวายพระพร อ, อันหนึ่งเวทนาที่เป็นอุตุปรินามัชานั้นย่อมเกิดขึ้นด้วยความแปรปรวนแห่งฤดูเวทนาที่เป็นวิสมะปริหาราชาย่อมเกิดขึ้นด้วยการรักษาอิริยาบถไม่เสมอ เวทนาที่มีความเพียรเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นกิริยาก็มีมีกรรมเป็นวิบากเกิดขึ้นด้วยอำนาจผลแห่งกรรมก็มีเวทนาที่มีกรรมเป็นวิบากย่อมเกิดด้วยสามารถแห่งกรรมที่สัตว์ได้กระทำไว้ในชาติบางก่อนเวทนาที่เกิดแต่กรรมมาวิบากมีน้อยนักหนาที่เกิดแต่เหตุนอกนั้นมากกว่า ชนพานที่ไม่มีวิจารณปัญญาทั้งหลายย่อมอ้างว่าเวทนาทั้งปวงเกิดแต่กรรมวิบากอย่างเดียวกรรมนั้นเว้นไว้แต่พระพุทธญาณไม่มีใครสามารถจะกําหนดรู้ได้มหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารที่อัตมาภาพถวายพระพรไว้ว่าศิลาอันเป็นสเก็ดกระทบพระบาทสมเด็จพระโรกกานาธ ให้พระองค์เสวยทุกขเวทนานี้จะเป็นด้วยวาตะสมุดฐานและปิตตสมุดฐานเซมหะสมุดฐานสันนิปาติกาอุตตุปรินามชาวิสมะปริหารชาและโอปกกามิกาอย่างไรนั้นหาไม่ได้สะเกดศีลากระทบพระบาทเข้านี้ด้วยสามารถพระเทวทัตนั้นผูกเวรพระสัพพันอยู มากกว่าแสนชาติพระเทวทัตคิดว่าอัตมาจะ ก, กลิ้งศิลานี้ให้ตกทับพระพุทธเจ้าให้ถึงแก่มรณาสันคิดแล้วพระเทวทัตก็กลิ้งศิลาลงมาเร็วพลันอันเยทเวเสลาครั้งนั้นยังมีศิลาสองก้อนเข้ารับเอาศิลาที่พระเทวทัตกลิ้งลงมาเทเวหัถาวิยะ เปรียบเหมือนรับไว้ด้วยมือทั้งสองมิให้กลิ้งไปถูกต้องพระตถาคตได้ศิลาที่พระเทวทัตกลิ้งไปนั้นก็ติดค้างอยู่บนศิลาทั้งสองครั้นกระทบกันศิลานั้นก็แตกเป็นสะเก็ดตกลงมาด้วยกันสะเก็ดศิลานั้นกระเด็นมากระทบพระบาทสมเด็จพระโลกหา้าเจ้ายังพระโลหิตห่อให้บังเกิดจึงได้เสวยทุกขเวทนา ทุกเวทนานี้เกิดด้วยกรรมวิบาก็ว่าเกิดด้วยพระเทวทัตกระทำก็ว่าและเวทนาที่จะบังเกิดด้วยสิ่งอื่นคือมูลแห่งอกุศลที่พระองค์กระทาแล้วหาไม่ได้และจะเกิดด้วยวาตสมตรฐานเป็นต้นก็หาบ่ไม่ได้และจะเกิดด้วยเหตุเจ็ดประการมีวาตสมตรฐานเป็นต้นนี้เข้าแสมแทกก็หาไม่ได้ จะว่าเป็นด้วยวิบากแห่งอกุศละกรรมหรือหรือจะว่าเกิดแต่พระเทวทัตกระทาก็ตามแต่จะว่าเถิดอุปมาฉันใดอุปไมยดุจบุรุษผู้หนึ่งจะกระทานามีผู้หนึ่งเอ็นดูให้นามีผู้หนึ่งเมตตาให้ข้าวปลูกครั้นบุรุษผู้นั้นได้ทากไถยสมร็จการแล้วจึงเอาข้าวปลูกที่เขาให้นั้นวานลงในนา ครนนานมาพืช น, นั้นไม่จเจริญจะโทษเอาใครจะโทษผู้ให้เนื้อนาว่าให้เนื้อนาไม่ดีหรือหรือจะโทษเอาผู้ให้ข้าวปลูกว่าให้ข้าวปลูกไม่ดีก็ตามที่จะว่าความข้อนี้อุปมาฉันใดเบื้องว่าสมเด็จพระบรมโลกกาณาเจ็บพระบาทเสวยทุกขเวทนาเอสาเวทนาเวทนานี้ จะว่าเกิดด้วยกรรมมวีบากหรือหรือจะว่าเกิดด้วยกิริยาที่พระเทวทัตกระทำาก็ตามแต่จะเปรียบความเหมือนข้างหนึ่งให้นาข้างหนึ่งเมตตาให้พืชข้าวปลูกนัดถันยาเวทนาเวทนานี้เป็นเวทนาเกิดด้วยเหตุอื่นหาไม่ได้อันหนึ่งจะอุปมาถวายบ่อพิษพระราชาสมภารปานดุจบุรุษผู้หนึ่ง บริโภคอาหารเข้าไปไม่สบายชายนั้นจะโทษเอาท้องว่าท้องไม่สบายเองหรือหรือว่าชายนั้นจะโทษเอาอาหารก็ตามที่จะว่ามหาราชะขอถวายพระพรเวทนานี้ก็เหมือนกันจะว่าเกิดแต่กรรมวิบาก็ว่าจะว่าเกิดแต่กิริยาที่พระเทวทั์กรธรรมก็ว่านัทธัญญา จะว่าเวทนาเกิดแต่เหตุอันอื่นหาไม่ได้ประการหนึ่งเล่าอันว่าเวทนาเป็นกรรมะวิปากชาคือที่เกิดแต่ผลแห่งอากุศลกรรมที่พระองค์กระทำไว้แต่ผลหลังนั้นและเวทนาที่เกิดด้วยวิสมะปริหานี้ไม่มีเป็นอันขาดแก่พระโรคกน้าเจ้าและเวทนาที่เกิดด้วยเหตุหกนอกกว่านี้ คือนับแต่วาตะสมุดฐานเป็นต้นตราบเท่าจนโอปักกามิกาอาพาธนั้นย่อมมีแก่พระองค์แต่มีอาจกระทำย่ำยีให้พระองค์สิ้นสังขารได้บพิษพระราชะสมภารพึงสันนิฐานเข้าพระไทยด้วยประการดังนี้มหาราชขอถวายพระพรประการหนึ่งในจตุมหาภูตากายแห่งสมเด็จพระมหาการุณานี้ ย่อมมีเวทนาที่เป็นอิทธารมณ์และอนิธารมณคือเป็นสิ่งที่พึงใจและไม่พึงใจกับดีและชั่วตกลงไปเปรียบดุดก้อนดินอันคนทั้งหลายโยนไปบนอากาศแล้วตกลงบนพื้นปฐพีก้อนดินนั้นตกลงมาถูกแผ่นดินด้วยกรรมหนหลังของแผ่นดินนั้นหรือประการใดขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดี มีพระราชองค์การว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสณผู้ปรีชาแผ่นดินจะมีเจตนาที่จะกระทํากุศลอกุศลด้วยเหตุอันใดหาไม่ได้และก้อนดินทิ้งขึ้นไปตกลงมาเหนือแผ่นดินด้วยเหตุเป็นปัจจุบันไม่ใช่กรรมที่แผ่นดินกระทําไว้ในก่อนพระนาคเสณจึงถวายพระพรว่ามหาราชะ ดูราณะบพิษพระราชาสมภารแผ่นดินเป็นชันใดพระตถาคตเจ้าบรมบพิษก็พึงทรงเห็นว่าเป็นฉันนั้นสะเกดตกลงถูกพระบาทของพระองค์โดยพระองค์มิได้กระทำกรรมอันใดอันหนึ่งไว้ในการก่อนก็เป็นเหมือนก้อนดินตกลงมาเหนือแผ่นดินโดยไม่ได้กระทำกรรมไว้ในชาติก่อนนั้นนี่แหละบพิษพระราชาสมภาร พึงเข้าพระไทยเถิดว่าสกเกตสีลามากระทบพระบาทสมเด็จพระบรมโลกกาณาธนี้จะเป็นด้วยกรรมพระองค์เจ้ากระทามาหาบ่ไม่ได้อันหนึ่งเปรียปานดุจหนึ่งว่าคนทั้งหลายอันทาลายและขุดซึ่งแผ่นดินแผ่นดินนั้นได้กระทากรรมหนหลังไว้หรือบ่อพิษพระราชเจสม่านสมเด็จพระเจ้ามิรินภูมินทราธิบดีมีพระราชค์การว่า นะหิพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญแผ่นดินนั้นจะว่าได้กระทำกรรมอันใดไว้แต่ก่อนหาไม่ได้พระนาคเกษ็ถวายพระพรว่าสเกตศิลากระทบพระบาทพระชินสีเจ้านั้นจะเป็นด้วยกรรมที่พระองค์กระทำไว้แต่ก่อนหาไม่ได้ประการหนึ่งเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโล ก, กนาตประชวนลงพระโลหิตนั้น จะเป็นด้วยกรรมหนหลังอันใดอันหนึ่งก็หาไม่ได้เป็นด้วยอาพาธนั้นมีสันนิบาตเป็นปัจจัยอย่างเดียวประการหนึ่งอาพาธสิ่งไรที่เกิดในกายและจิตของสมเด็จพระพิชิตมานเจ้านั้นจะได้เกิดด้วยกรรมของพระองค์ก็หาไม่ได้และอาพาธนั้นเกิดด้วยเหตุหกประการเหล่านั้น นับแต่วาตสมุทฐานไปจนถึงโอปัคกกมิกาสมุทฐานมหาราชะขอถวายพระพรสมเด็จพระผู้มีพระภาคพิจิตตมานโมลีผู้ล่วงเสียซึ่งเทพพยายดามีพระพุทธดีกาโปรดประทานเทสนาไว้ในมริยะศีวกะเวยากรในสังยุตตนิกาย เป็นดังดวงพระราชรัญชกรแห่งสมเด็จบรมกษัตราท์ธิราชอันประทับไว้มีความว่าดูกระสีวกะพรามเวทนาทั้งหลายบางเหล่าที่มีดีเป็นสมุดฐานก็ดีที่มีเสมหะเป็นสมุดฐานก็ดีมีลมเป็นสมุดฐานก็ดีมีสันนิบาตเป็นปัจจัยก็ดีเป็นอุตตุปรินามชาก็ดี ย่อมบังเกิดขึ้นในร่างกายนี้เวทนาทั้งหลายเหล่านั้นบังเกิดขึ้นอย่างไรท่านพึงรู้โดยแจมแจ้งด้วยตนเองตามธรรมดาอย่างนั้นความรู้แจ้งเช่นนั้นเป็นสัจจะสมมติของสัตว์โลกสมณะและพรามทั้งหลายย่อมมีวาทะและความเห็นในเวทนาเหล่านั้นว่าบุรุษบุคคล น, นี้ย่อมเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นแตกกลางๆไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเวทนาทั้งปวงนั้นมีกรรมที่ทำไว้แล้วในการก่อนเป็นต้นเหตุดังนี้สมณะและพรามทั้งหลายนั้นย่อมแล่นล่วงสิ่งที่ตนรู้แล้วเองและสิ่งที่เขาสมมติว่าเป็นของจริงในโลกเสียเพราะเหตุนั้นเราผู้ตถาคตจึงกล่าวว่า ความเห็นของสมณะและพรามทั้งหลายเหล่านั้นผิดจากมิจฉาทิฐิดังนี้สมเด็จพระบรมศาสดาโปรดประทานไว้ในสังยุตตนิกายชนิ้มหาราชะขอถวายพระพรสมเด็จพระพิชิตมารเจ้าเผาเสียซึ่งอกุศลสิ้นไปไม่มีเศษจึงได้สาเร็จพระสัพพัญยุตยานจะได้เสวยเวทนาเกิดแต่กรรมวีบากทั้งสิ้นนั้น หามิได้ทาเรหิพระองค์จงทรงเข้าพระทัยดุจในที่วิสัชนามานี้สมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาเฉลิมกษัตริย์มีพระราชองค์การตรัสว่าสาธุสาธุ ส, าธสัมปติจฉามิข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าตามที่พระผู้เป็นเจ้ากล่าวมานี้ดีนักหนาโยมจะรับคำของพระผู้เป็นเจ้าจำไว้ในบัดนี้ พระกวะโตนิระวะเสสังอากูสลางเฉตวาสัพพัญยุตังปัตตะปัญหาสัพพัญยุตังปัตตะปัญหาเป็นคำรบแปดจบเพียงนี้